เวล า, าจำกัดเอาแค่สามคนพอท่านนาบีหมัดนี่ชมท่านอบูบักรดีอัลลอฮวาอันหุการพูดชมเนี่ยเป็นศาสนาน่ะดาคนนี่ไม่ใช่ศาสนานิสัยเดิมเราเองไม่รู้ได้มาจากใครแต่นาบีนี่น่นะชมชมสหฮาบ้านาบี อยู่ในมัทเกอยู่ในฮะดีษของอิหม่ามตึนนี่ดีมีทั้งหมดเจดคนแต่เวลาเล่าไม่มีเล่าแค่เอาสองคนพอแล้วนบีชมท่านอบุลบาครอทยลลอฮ์ของอันซูชมว่าอย่างนี้อารฮามออรฮามอุมมัตีบิุมมัตีอบดุลบาอารฮามแปลว่าท่านอบุบักคเนี่ยเป็นคนที่มีใจเมตตาสงสารมากที่สุดในบรรดาอุมมัตีของฉัน ละเมตากับคนนะเนี่ยน บ, บีชมเพราะน บ, บีเห็นเนี่ยรอลลอยู่ด้วยการในเห็นน บ, บีเห็นเอาไปชาติข้างนอกนะมาใช่ชา้ในมัสยิดนะชาติข้างนอกอยู่ในตลาดอยู่ในที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศอารฮามูอารฮามูอารฮมารฮมอาฮูมอุมมตัตบุอุมมตัตอบูบักท่านอบูบักเนี่ยเป็นคนที่มีหัวใจเมตตาสงสารอุมมะของฉัน อ๋อ <Allah. S 2> เป็นอุ ม, มาของฉันคนอย่างครับนบีไม่เคยดา่าใครเลยมีแต่ชมตลอดและคนที่ถูกชมแบบนี้เนี่ยไม่ได้ชมต่อหน้าหรอกชมลับหลังแต่คนได้ยินก็ไปเล่าให้ฟังอะ่ะบางคนเดี๋ยวก็ร้องไห้เลยนะ <c oughs> เอาต่อมาคนบุคคลที่สองที่นบีชมว่าช um ah ุดดูฮุมฟีอัมริลาฮีอุมา ไซนาอุมัดเนี่ยเป็นบุคคลที่เข่นคัดหลักการาศาสนาที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยเข่นคัดหมดเลยแต่และเรื่องละเรื่องที่วะฮิผ่านมาฮะนาบีมุฮัมมัดนบีพศเนี่ยคนที่เข่นคัดหลักการอิสลามเนี่ยไม่มีใครเกินหน้าไซนาอุมัดแต่นบีเป็นบุคคลตัวอย่างอยู่แล้วแต่นบีไม่ไมยกตัวเองไม่เห็นไหมนานๆ น, นาบีจะพูดสักทีหนึง ตัวละม บ, บุคคลที่สองที่ท่นานนบีชมใครรูกไหมไซนาอุมาชงว่าไงอชุดดูฮุมฟีอัมริล่ะคำสั่งของอัลลอ์เนี่ยเป็นผู้ที่เคร่งครัดคำสั่งของอัลลอ์มากที่สุดนบีชมตัวเองอยู่เรื่องหนึ่งลับไปฟังนิดหนึ่งเลยมีวันหนึ่งภรรยาของท่านอุสมานบินมสัสอุนภรรยานะ ของท่านมุสลิมดินมนัซฮุนไปเยี่ยมท่านหญิงไอาชาไปเยี่ยมนบีนะแต่ไม่เพอไม่พบนบีไปพบท่านหญิงไอาชาพอเข้ามาในบ้านท่านิงไอาชาถามบอกว่าผู้นี้เป็นอะไรดูมันผอมปล่อยตัวเถอะไม่แต่งเนื้อแต่งตัวหน้าตาไม่ค่อยมีไม่มีอะไรนะไม่มีนู๊ดเสื้อผ้าก็ไม่แต่งไม่แต่งตัวเลยเนี่ยเพราะอะไร ภรรยากับเกก็สามีฉันนะ่ะสิสามีคุณเป็นยังไงอ่ะถึงได้ถึงได้ไดไทยสโสมขนาดนี้สามีฉันเป็นแบบนี้เข่งขัดศาสนาเกินหนะ้นานบีพูดง่ายๆนะถือบวชทุกวันถือบวชทุกวันเลยไม่มีวันหยุดแล้วก็กลางคืนนี่ลุกขึ้นนมาต่หาหยุดไม่มีเวลานอนป่อนกระชั้น่นนะ นัมาธิทังคืนเลยอ่ะกลางวันถือบวชกลางคืนล้วขึ้นนั่งมาธิหยุดมาเป็นงานอัม่นที่ซอแรกทั้งหมดนั่นแหละแต่ที่ทำแบบนี้น่ถูกหรือไม่ถูกเพอนางเล่าว่าสามีเป็นยางไงเพราะสามีพออับบีกลับมาเห็นนางอิสรา ก, ก็เล่าให้ฟังบอกว่าภรรยาขท่านอุสมานบินมสโซนที่เป็นซอบะ ของท่านนั่นแหละมาเล่าบอกว่ากลางวันกลางวันก็วถือบวชทัางวันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนเลยกลางคืนก็ลุกขึ้นน้ำมาตะหัยุดเนื้อตัวเมียไม่เคยจับเลย <c oughs> พอหนบีรู้ข่าวนาบีก็มานํามาถึงมัสติก็เจอัยนาท่านอุสมานบินบินมสโูนนั่งอยู่บอกมันนี่คุณทำอย่างนี้จริงเหรอนบีก็พูดเป็นภาษาบอกว่า อาฟามาลากฟียาอุสวะอาฟามาลากฟียอุสวราะะวรูปแบบของฉันเนี่ยยังไม่เพียงพอหรือรูปแบบที่ท่านนาบีสอนเนี่ยนะนบีถือบวชบ้างหยุดบ้างดูขึ้ น, นมาต่ฮั ด, ดยุดด้วยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่นมาด้วยก็้างก็ไม่หยุดบ้างอะไรบ้างแล้วคุณเอารูปแบบใครอะรูปแบบฉันนี่ไม่พอเอเหรือ นี่นบีตองการจะบอกว่ฉันเนี่ยเป็นคนที่มีรูปแบบที่สวยที่สุดงดงามที่สุดที่อัลลอฮ์ให้ยิบรีตมาสอนฉันในฉันนั้นอำมชายหมดฉันไม่เคยถือบวชทุกวันนมาตะฮัยุดก็ไม่ใช่นมาทั้งคืนนมาแค่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมก่อนนมาสุบโบสักชั่วโมงหนึ่งมีเวลานอนเท่าไหร่ตั้งสามสี่ชั่วโมงถ้าคุณเอาอะไรมาเนี่ยรูปแบบฉันเนี่ยคุณมองข้ามไปเลยเหรอือ ตรงนี้สอนหลายเรื่องนะถ่านวันเราวันนี้นะเอรูปแบบนบีเราไม่ได้คิดนะเอารูปแบบของใครรมาใช้นะอิหมามคนนั้นอิหมามคน น, มมนี้อิหมาม ร, ารัฐบาลตําหนิในเมื่อนบียังอยู่ต้องเอานาบีก่อนไม่พบนบีถึงจะไปหาอิหมามอันนี้พูดก็ตรงๆอย่างนี้เลยนะคนเราฟังศาสนากันมา20 38ปีตั้งเองฉะนั้นอย่าให้บรรดายอิหมามคนไหนก็ยังใหญ่กว่ารูปแบบของนบีอย่าทํา ศึกษาพยายามศึกษาสุนทรนาบีว่ายังไงนบีหาเอามือทํำยังไงถ้า น, นาบีอ้าปากกว้างๆไม่อามือปิดเ้าก็ไม่ปิดตามนาบีอ่ะนี่นบีสอนเนี่ยเอาเอมือปิดปากเวลาหาวเนี่ยเวลาเข้ามัสยิดเอาเท้าขวาเข้าใช่ไหมพร้อมกับดุนอาเดินตามนาบีก่อนได้วรกัดเพราะอัลลอฮฺจะถามเราตอนกูโบน่ะมันนาบียุกัด คำว่านาบีหมายถึงอามัณทั้งหมดที่เราปฏิบัติเนี่ยเอามาจากนาบีทั้งหมดถ้าหาจากนาบีไม่เจออย่าเพิ่งหาอิหมามนะหาท่านอบูบากรอุมมัดก่อนท่านอุษมานท่านอาลีเราเดี๋ยวล้อหวานดูถ้าไม่มีพวกนี้คอลิฟ้าไม่มีหาอิหมามได้แต่แค่นี้พอนะเอามาดู Quran วะลากะดะซาบักัส กัลิมาตุนัลอิบะดินัลมุรซัลีนวะล้ก็ดัชบาคัตคัลิมาตุนัลอิบะดินัลมุรซัลีนอัลลอฮุอะลลอฮวะล้ก็เปรวแตินดับาคัตเปรัวได้ ได้มีล่วงหน้าไปก่อนแล้วได้มีล่วงหน้าไปก่อนแล้วได้กำหนดไปก่อนแล้วได้ตามบัญญัติไว้ก่อนแล้วอ่าซาบกะ็ตแปว่อะไรนะได้มีล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วได้บันทึกล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วได้กำหนดล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วกำหนดอะไรครับกานิมาตุนา กาลิมะแปลว่าพระดำรัสของเราอธิบาย ถ, าถ้าไม่อธิบายฟังงงกาลิมาตูนาไปถึงคำสัญญาในตัวสิทธ์มารอรีคำสัญญาอัลลอ์ได้กำหนดสัญญาเอาไว้ก่อนที่สร้างโลกใบนี้ก่อนที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยอัลลอก์กำหนดไว้เลย สัญญาว่าสัญญ า, าอย่างไรไหมเรียกอิบาดิฮิให้แกเบาของฉันนะครับอัลมุสลีนที่ผู้ได้ถูกส่งลงมาได้กําหนดให้บรรดาโรซูลทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็เบาวของฉันทุกคนที่เป็นมุมลินคนกาเฟตไม่เกี่ยวนะบบาวของฉันที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กับบรรดาโรซูลทั้งหมดนี่นะ ล l l a h ได้กำหนดได้สัญญาล่วงหน้าก่อนที่มนุษย์จะเกิดมาเป็นคนเข้าใจใช่ไหมได้กำหนดแลวก่อนแล้วนะดีไม่ดีเนีคุณอาเนี่เล่าให้ฟังนะและโดยแน่นอนยิ่งพระดำรัสของเราได้มีล่วงหน้าไปก่อนแล้วแก่บวงเบาของเรานะครับ ผู้ที่ถูกส่งลงมามาถึงบรรดานาัลรทั้งหมดอัล น, นุรที่มีชื่อในอัลกุรอานเท่าไหร่25ท่านที่ไม่มีชื่ออีกเท่าไหร่แสนสองมื่นเห็นไหมทั้งหมดเหล่านี้นี่นะอัลลอฮ์ ก, กาหนดไว้เลยนะบ่าวของฉันทั้งหมดเหล่านี้ที่เป็นระซูนนี่นะฉันได้กาหนดไว้แล้วในอายะอื่นอธิบายต่อนะ ม่ใช่บันดาเราโูนอย่างเดียวหรอมุหมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เชื่อนบีมุฮัมมัดเนี่ยอย่างท่านอบูบากใช่ไหมเดินตามนาบีทุกอยาก่างนบีชมว่าไงอารฮามอุมมติบีอุมมติอบูบากท่านอบูบากเป็นคนที่มีค่ที่มีนิสัยเมตตาคนเนี่ยเดินตามใครเดินตามนาบนะีแล้วเดินตามใครอีกเดินตามท่านอบูบากเมตตาคนนะ เมตตาเมีเมตาลูกเมตาหลานแล้วก็เมตาใครอีกอญาติพี่น้องเราญาติพ่อญาติแม่ลูกก็เหมือนกันเมตาพ่อกคนวก็ตามด้วยแม่แล้วก็พี่ชายน้องสาวน้องชายมันต้องนึกนะคำว่าวอารามเนี่ยเมตาเนี่ยมันต้องโอดโลอักวัตอย่าทะเลาะ นบีไม่เคยตบหน้าภรรยานาบีไม่เคยด่าภรรยาลูกไม่เคยดา่าพ่อไม่เคยดา่าแม่ต้องเป็นแบบนี้ถ้ายังว่าคนนั้นตำหนิคนนี้อยู่จะเป็นอาระห์ธรรมได้ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นทั้งบรรดามุกมินทั้งหมดนี่นะอลัลลอฮ์เนี่ยสัญญาเอาไว้แล้วทั่วโลกอมุกมินทั้งโลกเลยอลัลลอฮ์สัญญาเอาไว้และอลัลลอฮ์สัญญาอีกต่างหากในคุรานอญญายะอื่นในสุรษ กูจะดานะคัตบัลลัห์ลาอักรีบันนอ่อาณาวาลุสุลีอัลลอฮได้กำหนดกำหนดอย่างนี้ลาอักรีบันนอ่อาณาอัลลอฮเนี่ยจะชนะในกำหนดไว้แล้วตั้งแต่ก่อนสร้างโลกใบนี้ลาอักรีบันน่อาาฉั น, าานจะชนะใครจะมาเหนืออัลลอฮไม่ได้และใครเอก วารูซูลีและรอซูลของฉันทั้งหมดที่มาในโลก 120, 000, 000นี้แสนสองมืสี่พันคนชนะหมดคำว่าชนะมันอาจจะถูกฆ่าบ้างก็ได้อ้าถ้าถูกฆ่าเป็นอะไรตายอะไรตายเีหิตแล้วกลัวอะไรอะเนี่ยกำลังใจผู้ศรัท ธ, ธาต่อรอถึงจะทำความดีอลอทาความดีาาทาความดี เอาต่อมาครับในอายะอื่นนะในชุโรยูนุสที่ผ่านมาแล้วซุมมานุอัจจีรุสูลนาวัลล้วี่นอามันุคดาลิกะฮักก์อัลัยนานุนจิลมุเอมีนเรานี่นะมาถึงอัลลอฮ์เนี่ยช่วยรอซูลของเราทุกคนช่วยนะ วันละดีนะมนุษย์ล่าช่วยผู้อีมานทุกคนดีใจยังขอให้เป็นมุสลิมอย่างเดียวนั่นเองนมาญาคารอ่านคุรานสม่ำเสมอดิกรุลนล่อบริจาคสม่ำเสมออัลลอฮ์ช่วยครับตอนนี้พอช่วยจะรู้รู้สึกตัวเปล่าล่ะส่วนใหญ่ไม่รู้สึกตัวใช่ไหมอัลลอฮ์บอกว่าส่วนใหญ่อัลลอฮ์ช่วยแล้วนะไม่รู้สึกตัว มาคุยว่าฉันทำเองแบบใครยกตัวอย่างค น, คนดังๆไปเลยอ่ะกอรูณใช่หรือไม่ใช่เอาล่อให้เงินจังเยอะเยอะแล้วพูดจารก็เอาลอไปอยังไงความรู้เงินที่ได้นี่เอาล่อไม่เกี่ยวนะฉันสมองสติปัญญาของฉันได้มาเพราะความสามารถฉันทำว่าล่อมันใส่ปะแล้วก็ให้เงินเยอะขนาดนั้นน่ะไม่เคยบริจาคให้คนยากคนจนเลยอะ นี่เร า, าสัญญาไว้วัน ล, ละีนาอามานูผู้ที่อิมามต่ออัลลอฮ์ทุกคนเราช่วยเหลือหมดแล้วก็ฮักกอนอะไรนาะเป็นสิทธิของอัลลอฮ์จะต้องให้มุมินนั้นปลอดภัยทั้งโลกดุนยาและอาคริรทีนี้คนที่เป็นมุมินที่อัลลอฮ์ชมนะ่ะนิสัยตรงนิสัยแบบนี้นะนี่นิสัยนะพวกเราทุกคนนะต้องเอานิสัยนี้ไปใช้ อย่ามองตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นนี่อักลาของผู้ศรัท ธ, ธาตอลอดอยู่ที่ไหนของโลกก็เหมือนกันนะอย่ามองตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นต้องมองให้คนอื่นนั่นสำคัญกว่าเรามีหนังสือเล่มหนึงเขียนดีนะครับเอาอ่าน้ฟังเลยนะครับ อัลมุมินุนนะอัมัตหอิมาหูบิลลาคนมุมินเนี่นะเขาจะให้ความสำคัญกับอีม ا ن ต่ออัลลอ์ใหญ่ที่สุดเข้าใจนะอัลมุมินุนอัลมัตหอิมาหูบิลลาคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ยึดอัลล์เนี่ยใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างส่วนคนที่ไม่ใช่มุมินเนี่ย อามะหูนับซูเขาให้ความสําคัญกับตัวของเขาเองอันนี้แซบนะอลัลลอฮฺให้ความสําคัญกับตัวเองอะ่ะฉันนี่ต้องอย่างงั้นฉันต้องอย่างนี้ฉันอย่างนี้อลัลลอฮฺไม่เคยเอ่ยสักคำหนึ่งสุนนะนบีก็ไม่เคยเอ่ยอะ่ะนี่ระวังนะนี่เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมอัลลอฮฺจะดูแลเพราะนิสัยเขาดีเนมองดูตัวเองเล็ก ใครที่มองดูตัวเองเล็กนี่ใ น, นสายนานาบีพูดเองนะนบีขอนมานะอัลลอฮุมมัจญอัลนีซารีรอนวาฟิอาอูนินาซิกาบีรอนใครที่โอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฉันเนี่ยมองดูตัวเองเนี่ยเล็กถ้ามองดูตัวเองเล็กเมื่อไรนะอายุนินาในสายตาของประชาชนเนี่ยเขาจะมองเราเนี่ยกะบีรใหญ่ ถ้าเรามองดูตัวเองใหญ่ในสายตาของประชาชนตรงกันข้ามจะมองเรากระจกนี <sy> ่นี <sh arp music> <ihat> ่คุรอานาญาเดียวอธิบายได้กว้างมาจแต่นเวลามันจำกัดสำนักอ่าว่าละกอดัซาบาตกาลิมาตุนาลีไอบาดีนัลมุรซาลิน และโดยแน่นอนยิ่งพระํารัสของเราพระดารัสหมายถึงคําสัญญาของเรานะที่ได้มีล่วงไปก่อนแล้วล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนสร้างโลกดุญญนยาใบนี้ก่อนที่กุรอ่านจะมาก่อนที่น บ, บีมุฮัมมัดจะมาก่อนที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะจะมีอีกรอบกําหนดไว้ก่อนแล้วว่าไงครับ เลียบอิบานินมุสลินพวงเบาของเราผู้ที่อัลลอฮ์ส่งมาทำหน้าที่มาทำงานศาสนานั้นสัญญาะชนะหมดเลยชนะหมดได้ไปสวรรค์หมดอ่าพูดง่ายๆก็แล้วกันอยู่บนด ญ, ญานาดนนี้อาจจะจนบ้างอะไรบ้างมมีปัญหาแต่ว่าพอตายแล้วสบายไว้โอ้โหพอตายแล้วสบายนอนสบายอัลอฮัมุลลิลละตอนเชาวอัลลอ์ให้เห็นสวรรค์ พอตอนเย็นให้เห็นสวรรค์และที่อยู่ในสวรรค์เอาได้ไหมเอานอนอยู่ในกุโบเนี่ยพันปียกตัวอย่างอเห็นทุกวันเลยสวรรค์กับที่อยู่ในสวรรค์เอาได้ไหมเอากับนอนอยู่ในกุโบเห็นนรกทุกวนันเอาไหมเราไม่เอาเฮ้ยแค่ฝันขโมยเข้าบ้านเหงื่อออกอยังวิ่งในร่มตาทีาาได้ได้อะนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับสัวลังว่าอัลลอฮ์ช่วยได้ไม่ช่วย นี่บันทึกแล้วนะสัญญาเอาไว้แล้วนะล่วงหน้าเอาไว้ก่อนจนอายานี้เอาต่อมาครับอินนาหุมลาหมุลมัลซูรุนอัลลอฮฺอายานี้ดีมากครับอธิบายอายาแรกอินนาหุมลามัลซูรุนมันซูดมาจากนสอรอ คนที่เรียนภาษาอาม า, า, มาเข้าใจแล้วมาสรุปเลยว่าช่วยเหลือไะพวกเขาพวกเขาแน่นอนจะได้รับการช่วยเหลือจะมีชัยชัชนะนั่นแหละอะจะได้รับชัยชนะมีชัยชนะจะได้รับการช่วยเหลือจากใครจากอัลลอฮฺเห็นไหมผู้ม่ รสบรรดารอสูลนบีทั้งหมดของอัลลอฮ์รวมไปถึงมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั่วโลกจะอยู่ตรงไหนก็ตามลามซูรูลพวกเขาจะต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนสบัยใ จ, จยังแต่ต้องวางตัวให้ดีนะอย่าวางตัวแบบฟาโรนะอย่าวางตัวแบบกอรูนะ่าให้วางตัวแบบนบีวางตัวแบบไซนาอุมัดท่านท่า น, นอบูบัก ลอแค่คัดาศาสนาแล้วก็หัวใจสงสารเมตตาคนอัลลอฮุอะบดุถูกด่ามาทำไงตอบหรือว่านั่งเฉยๆก็นั่งเฉยๆป่เมียบ่นนั่งเฉยๆได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้เมียกูกูต้องตบใครสอนน่ะไม่ใช่อัคลักษณแบบนี้นะมันจะยกให้เราสง่างามท้าดอเลยล้วเอาต่อมาครับ ว َإِنَّ جُنْدَنَا ดَ ه ُละหูมูลก ل ِ ب บ و ن َ <ون> อ้ยานี้ดีจริงๆเลยวَาِ ن َّ ج ُ ن ณ د ด ن َ ا ลَ ه ُมูลกาลิบ ل ِยุ و ดุ <ون> จุนดุนแปลว่าทหารสับเดิมแปลว่าพระอิปนพวกเราเนี่เป็นทหารของอัลลอฮ์หมด ที่นั่งอยูมัสยิดเนี่ยนะเป็นยุนดูนเป็นอะไรนะเป็นไพ่พลแล้วต้องนึกเนี่ยล่ะแล้วก็คนที่เป็นทหารเนี่ยก็มียศใช่ไหมยศนั่นยศนี้ยศนี่ยศนั่นเต็มเลยใช่ไหมเราก็มียศคนที่ถืออ่านอ่านอ่านอ่านุณอ่านประจำกับคนไม่อ่านกุณอ่านยศต่างกันไหมล่ะคนที่มานมามาที่มัสยิดกับคนที่นมามาที่บ้านน่ะยศต่างกันไหม เหมือนกันหมดนี่เหมือนกันเนี่อัลลอฮ์เตือนนะว่าอินนาะยูนูนะพวกเรานี่ยนะพวกพวกท่านมุบินทั้งหมดทั่วโลกบรรดานับทั้งหมดทั่วโลกนะเป็นยุนดานะเป็นไรนะเป็นไพ่พลของเราหน้าที่ทำกครอนานะหน้าที่หน้าที่หน้าที่รับเป็นทหารของอัลลอฮ์นะเองจะสมัครไม่มต้องสมัครอัลลอฮเรียกเข้าเกณทุก ป, ปีเลย <c oughs> พออายุสิบเจ็ดสิบปดยุคสิบห้าสะนะอละั์เรียกเรียกเกณฑ์แล้วใช่ไหมแต่ก่อนเกณฑ์เนี่ยพ่อแม่ต้องดูแลทําไงจะให้ลูกเกณฑ์ทหารี่ไม่ถูกก็อันนี้เข้าใจง่ายๆนะว่าอินนายูนูด้านาแท้จริงไพ่พลของเราอ๋อยงยกนะไพ่พลพวกท่านเนี่ยเป็นไพ่พลของเรานะลาหูมุลลอริบูพวกเขาจะเป็นผู้พิชิตชนะ รอรีบไปวาชนะอัลลอฮฺอักบะดเรื่องแพ้ไม่มีอัลอกุบะด์เห็นยังนี่สบายใจยังเราเนี่เป็นทหารนะของอัลลอฮฺนะเราเนีปกป้องแต่นี้ทหารที่รัฐบาลเมืองไทยก็แล้ว ก, กันเนี่ยทหารมือไว้ทําอะไรปกป้องเยอะมากศัตรูผู้กระทเมืองนิดนะนะตัวนี้ทหารมันก็ฆ่าประชาชนใช่ไหมล่ะอันนี้แก่แต่กันเมืองนิดนึงนะถาว่าถูกไหมอพมาสเปังไง เมียนมาเมียนมาฆ่าใครฆ่าประชาชนแต่กันแต่กันเมืองนิดนะรู้รูกหญิยาถูกฆ่าเพราะอะไรช่วงนั้นใครแคเป็นผู้นําองค์ซานซูจีซูจีนั่งเฉยทําไมทํำไมไม่ห้ามเละแล้ววันนี้อาลอนเล่นงานแทนใช่ไหมผมนึกไปเรื่องเอลอนเล่นงานแทนจะช้าหรือไวอีกเรื่องหนึ่งพนนี้ทหาร มาฆ่าประชาชนแล้วที่แรกฆ่าใครฆ่ามุสลิมรูฮิงยาวันนี้เปลี่ยนมาฆ่าประชาชนก็นึกเองไปแล้วต่อยอดเอาเองนะครับว่าอินนาจุนดนาละหุมุลลอลิบูและแท้จริงไพ่พลของเรานั้นพวกเขาจะเป็นผู้พิชิตชนะ <c oughs> สะพายใจไหม <c oughs> ทำด้วยแลบรักษามารยาททหารให้ดี อ่าทหารไปไหนมาไหนก็ต้องนึกฉันเป็นทหารนะจากนั้นเป็นมุสมิมฉันนั่งเครื่องบินจะไปทำงานศาสนานะฉันนั่งรถทัวร์เพราฉันเป็นมุสลิมนะฉันไม่กินเหล้าสเปซสปานะฉันตามันต้องระวังหมดเลยสายตามางองผู้หญิงมากได้ไหมอ่าเอาไปใชให้หมดฉันเป็นทหารของอัลลอ์นะอัลฮัมดุลิลลาสบายใจเอาต่อมาครับ คนที่เป็นทหารของอัลลอ์คนที่เป็นนบีคนที่ทำงานศาสนาอย่างมุมลิมพวกเราเนี่ยถูกด่าหรือไม่ถูกดา่ามีคำตอนหลังก็เป็นผู้ก่อการอะไรก็อิสลามิกโมโฟเบียงอะยังไงนในภาษาอังกฤษที่มาจากยุโรปทั้งหมดเลยะมุสลิมถูกตำหนิถูกด่าตลอดอัลลอฮ์สั่งสั่งนบี فَتَوَلَّ عنهم َُْ حتى حين ฟะตวลล์ عنهم حتى حين นี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังว่าคนอาหรับมุชริกเนี่ยที่นบีสอนว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเนี่ยพวกนี้มันรับไม่ได้เพราะคนอาหรับมุชริมเนี่ยกราบจาเวท เท่าไรสามสองสา ม, สามร่อยหกสิบรูปใช่ไหมหกสิบจะเวี่ยงหุดนาบ้านสมัย น, นะนู้นน่ะเนี่ยรยเ อ, อ, เ, อเรื่องเก่าหมดเลยนะแล้ววันนี้ทามุสลิมถูกดา่าไม่ถูกดา่าถูกด่ามากโอ<ห>้หแค่ประเทศไหนแล้วกันประเทศไหนที่แยกออกมาจากอินโดนีเซียที่แยกจากมาเลเซียนะ่ะบุรนายใช่ไหมอาบุรนายต้องการจะเอากฎหมายอิสลามมาใช้เรื่องอะไรอะ เร th ื่ใครทำดีนาจับได้จะเครียดนะเพียงแต่ออกกฎด่ากันทั่วโลกเลยแล้วก็ทรากก็บอกว่ายังไม่ได้นำเอามาใช้เลยมึงด่ากูแลยเนี่ยพราะอ่านกุรานแล้วก็ติดตามรงการเมืองอัลลอฮ์นัอิสลามเนี่ยโผล่ไม่ได้แเดยาฮูดีต้องการจะกดอิสลามให้มากที่สุด เองยิ่งกดเองยิ่งถูกเล่นงานจาก a l l a เพราะ a l l a สัญญาไว้รอนิบูรมุมีเรื่องแพรไม่มีครับแต่ต้องอดทนนะเอา a l l a สั่งฟาตาวลละอันฮุมดังนั้นมุฮัมมัดเอย๋ยวัน ล, ละด้วจงหันหลังอันฮุมให้กับพวกเขาเถอะที่เขาด่ามาว่ามาใสารา่ร้ายมาว่านู่นว่านี่ยิ่งยุคนี้เห็นชัดๆเลยใช่ ผูกก่อการร้ายแสดงผู้เส้นเร็วอย่างงั้นอะไรนะ่ะที่ยู่ลิเบียนะ่ะเร็วอย่างงั้นเร็วย่างงี้โล่เนี่ยเป็นดาบขา้ามหมดเลยนะ่ะต้องการจะได้บอน้ํามันก็ยังเดียวรู้ปล่าจะมีภูเขาทองเกิดขึ้นที่ไหนรู้เป่าที่แม่น้ํายูเฟรติสซูฮูดจาบัลิสระบจะมีภูเขาทองภูเขาเป็นทองเลยนะ ดูนายแม่นายุฟราติสนี่อัลลอฮ์ให้นบีมาเล่าแล้วเรื่องจริงัหมจริงครับอเมริกาก็ส่งอะไรดาวเทียมมาวิสพ ร, รมรวัวทําท่าจะโผล่แล้วมาเกิดจะเกิดแล้วแล้วก็นบีพูดว่าที่ตรงนี้จะทะเลาะ ก, กันจะแย่งชิงกันว่าใครจะเป็นเจ้าของแล้วนนึกถึงพี่น้องมุสลิม ม, มนาบุลฮะซันเตือน ไอ้คนอารับอิสมาลมินนีอารับเออ ฟ, ฟังฉันฟังฉันเตือนคุณบ้างอ่ะคุณอย่าพูดว่าฉันเป็นอารับได้ไหมอ่ะคุณจะได้พวกอีเต็มเลยอ่ะเาพวกนั้นถ้าเป็นมุสลิมพูดไม่ได้เลยถ้าพูดว่าฉันเป็นมุสลิมได้ทุรกีเป่าได้อินโดนีเซียเป่าตั้งสองรกว่าล้านอ่ะได้ม alaysia ป่าได้แคนบร์่าได้ไทยเปล่าก็เองพูดไม่สิ อายุห uh ัลมุสลิมู่แต่เองพูดผทดอายุฮัลอาหรับเราเป็นชาติอาหรับก็ได้กี่คนละ่ะนี่นี่กุรอานคือการเมืองอะพูดตรงๆนี่กุรอานคือการเมืองครับแต่ว่าเรากับเองมัชชลาเคยอานกุรอานอย่างเดียวพอแล้วเมื่อทาไปแปงกับ ต, ตัวคูเราพออยู่แปงกุรอานนะบาปนะนี่คนหัวป่านี่มีอยู่คนแปงกุรอานบาปเอาต่อไป ฟาตวันลานอุมฮัตให้เนีย่ยอัลลอ์สั่งนบีนะเราสั่งพวกเราด้วยที่อา่านคุรานจากนั้นมหะมัดเอ๋ยจงหันหลังให้กับพวกเขาชั่วงเวลาห น, นึ่งท่านเราที่หันหลังให้เนี่ยแล้วว่าทำเฉยๆไม่ต้องไปโต้ตอบอะไรนะเราเราเรากลัวก็หรือพเพราะอัลลอ์สั่งนะใ จ, จะมันอากจะออเรื่อง ไอ้เรื่องยิงยิงแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วแต่เรามารยาโรงงามไงใช่ไหมลนะ่ะเพราะอัลลอฮสั่งว่าเวลาเขาด่ามาตำหนิมาพูดจาไม่ดีให้เราฟังเราต้องอดทนแล้วก็อะไรนะหันหลังอย่าไปใส่ใจมันกิวันฮัตตาฮินสักระยะหนึ่งเท่านั้นเองเอาต่อมาหนึ่งรเจห้าว่าบัสิซโรหุม ฟาชาวฟบัซิรุนว่าบัซซิรฮุมฟาชาวฟายบซรว่าบัซิรฮุมว่าบัซซิรฮุมเนี่ยแปลว่าจงเฝ้าดูพวกเขาเนี่ยอัลลอฮ์สั่งนะสั่งนบีสั่งพวกเราเนี่ยให้เฝ้าดูให้สังเกตดูคนที่แอนติอิสลาม คนที่ด่าอิสลามด่านาบีมุ h ัม m a d ด่าซุนนะนบีด่ากูรานเนี่ยสังเกตดูดิเขาอยู่กันยังไ ง, งก็แล้วรลก็สังเกตโรคโรคโควิดมาในข้ากัทุกวันใช่ไหมข้ามีบ้างอะไรบ้างบางทีพ่อโขมเขือนลูกนะมาจากไหนก็พ่อไม่เอาศาสานาไงลูกด่าพ่อไหมบางลูกด่าแม่ เขาทอิสลามอ่ะเป็นแค่แต่ชื่อแต่เล็กๆแต่นวลว่าบเซโรห์จงเฝ้าดูพวกเขาจงสังเกตดูพฤติกรรมดู أخلاق ของพวกเขาเป็นยังไงต่อมาครับฟาซาฟายเบเซรูและนาไเมชาพวกเขาก็จะเห็นพวกเขาก็จะเห็นซาฟ่าในในในในในในในในอนาคตอันใกล้ ในตบสิทธิอธิบายว่าเห็นแน่ๆ่ยุบสซีรุนว่าเขาเขาใจได้เห็นแล้วเห็นแน่แ น, แนนะการลงโทษของคนที่แอนต้อิสลามยูบซิรุนเห็นอย่างนี้ครับหนึ่งเวลาเขาด่าเรามานะเดี๋ยวมาร้จะให้เขาตายพอตายภาพนอนอยู่ในกุโบเห็นแน่ๆเห็นอะไรครับ เอานึกเองเห็นอะไรเมื่อ ก, กี้อาแล้วเห็นอะไรครับเห็นอาสาในกูโบเห็นนรกวันละกี่ครั้งชาวกับเย็นเห็นยังครับเห็นแน่แน่เอามาเชื่อลองตายดู <c oughs> นี่ต๋อซ่ตอธิบายนะยูบเซรุลพวกเขาใจได้เห็นแน่ๆครับสองกุลมะอธิบายดีนะพวกเขาใจได้เห็นว่าอิสลามยิ่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้ น, นยิ่งเครียดมากขึ้นใช่หรือไม่ใช่ ตอนนี้ประชากรมุสลิมผมเพ่งฟังข่าวจาก o ว c e ประชากรมุสลิมตอนนี้เป็นอันดับสองรองลงมาจากคริสเตียนอีกไม่ช้าประชากรมุสลิมจะมีอันดับอันดับอะไรอันดับหนึ่งถามว่าคนที่แอนติอิสลามเครียดหรือไม่เครียดนี่งานคุณอ่านกระจายให้ฟัง ฟาซาลฟาบสิรนในไม่ช้าพวกเขาจะได้เห็นครับเห็นนะครับนี่สองเรื่องนะเห็นนะเขาตายแล้วเห็นการลงโทษที่กูโบสองทถ้าไม่ตายอยู่ไปจะเห็นอิสลามเนี่ย increasing increasing increasing, increasing every every day มีมุสลิมรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น นักวิทย า, าศาสตร์13คนรับอิสลามมัมีชื่อหมดแล้วรับทำไมอ่ะจนปัญญาครับไปไม่รอดจนด้วยกูอ่านกอ่านกูอ่านกอ่านกูอานไปเลยครคับกูอา่านอายาไหนที่อธิบายบอกว่าคนจะรับอิสลามอิอนซรุลลอฮิวลฟัตวะรอตนนสยดลูนาฟดนิลลาฮิอวาจามุฮัมมัด เมื่อท่านยึดนครมักกะเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นท่านจะเห็นนะประชาชนเนี่ยเข้ารับอิสลามเป็นหมู่มูเป็นหมู่มูหมู่หมู่น บ, บีผ่านมาแล้วเท่าไหร่หนึ่งพันร้อยปีมีน บ, บีคนเดียวละซ่บบาบ้าไม่เท่าไหร่วันนี้กลายเป็นพันแปดร้อยกว่าล้านจะเป็นสองพันล้านอยู่แล้วะมาได้ยังไงอ่ะนี่ไงซาฟายุบศรูพวกเขาจะได้เห็นอีสองอย่างนะ เขาเห็นอาลาบการลงโทษหลังตายถ้ายังไม่ตายก็จะเห็นนะ่ะมุสลิมจะรับอิสลามเพิ่มขึ้นอิสลามจะเจริญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเครียดอยู่ในโกโบ ก, ก็เครียดยังไม่ตายก็เครียดที่เพราะรังเกยียจอิสลามอะรังเกียตนบีรังเกยียดกูร์รานรังเกยีกเกยดซุนานาบีมันมีอยู่ท่าหนึ่งของคนที่เป็นโรคโควิด หายใจนั่งหายใจไม่ออกนอนหายใจไม่ออกต้องซูยูถึงจะหายใจคล่องได้ข้คิดแะ่ในบ้านเปนนอนคิดเองเป็นภาพฝรัง่งยิฮูดีหรือเปล่าเราไม่รู้นะเพราะถ้าซูยูนเนี่ยเขาบอกโอ้หายใจคล่องหน้าโดูเลยมึงท่านม า, มาของอเลอร์นะรู้เปล่าเป็นอย่างนครับ เราจะให้เห ah e ็นที la la. ่ละนะละละนะละโะฟซาห์ฟายูบซีรเอ้าเอาต่อมาอายาที Allah, officially officially official ่หนึงรเจสิบเ่ราปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพูดเรื่องใหม่แลยนะเรื่องเก่าหมดไปแล้วอัฟาบิอาบินายาสต์จิลูนอัฟาบิอาบินายสต์จิลนอัลลอฮุอะล อาซาบอาซาบินาอาซาประการลงโทษของเราการลงโทษของอลรรค์เนี่ยมันมาบ่อยๆเตือนอยู่ตลอดเวลาโรคโควิดนี่อาซาบไหมอาดาบครับแผ่นดินไหวอาซาบไหมอาซาบครับแล้วก็น้ําท่วมอาดาบไหมอาซาบโรคเจ็บไข้ได้ป่วยอาซาบทั้งหมดโรคอ้วนนี่ก็อาซาบรู้สึกตัวหรือเปล่า น อ, นอนสบายสบายบนที่นอนะแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆเนี่ยนบีเคยมาแล้วแต่แอร์ไม่มีสมัยนั้นมีที่นอนนิ่มๆไปนอนที่บ้านพระยาพระยาคนหนึ่งก็จัดที่นอนให้นบีนะนอนนิ่มสบายพอนอนเสร็จแล้วคืนนั้นไม่ได้ตื่นน่ามาตะฮันยุดตื่นสุโบนา่ง น บ, บีบอกเธอจะเอาที่นอนนิ่มๆเนี่ยเอาออกไปขอนอนแข็งๆเห็นยังนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่อ่านสออาทิตย์ที่แล้วที่อ่านผ่านมานะอาลัลลอฮฺถามนะความสุขความสบายที่คุณได้รับอยู่บนโลกได้ยามานี้ยี่สิบปียกตัวอย่างคุณนอนกอดผู้หญิงมายี่สิบปีบนที่นอนนิ่มๆมายี่สิบปีแอร์ยี่ยี่สิบปี มีอาหารบริบูรณ์สมบูรณ์หมดเลยยี่สิบปีแล้วคุณไม่รู้จักอรอเวลาคุณตายอยู่ในกูโบยี่สิบปีนั้นช่วยคุณได้ไหมโอ้โหภาษานี่หนักนาะสนาวมัดไปเยี่ยมนบีตอนกลางวันแดดออกสาวดีไป็น้ว น, นึกภาพร้อนนะ่ะตันอยู่มาหลายปีนะ่ะ รถจะตายไปนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็เย็นขึ้นแล้วมันองค์มีแอร์นะสมัยนั้นแอร์ไม่มีนบีนอนอยู่ถอดเสื้อพอไปเยี่ยมนบีนบีมาลุกขึ้นนั่งร้อยเสื้อมันติดอยู่ที่หลังนบีแดนสวยงามมาทาร้องให้นบีถามรอกให้ทมไมพวกเปอร์เซียอ่าพวกโรมันอยู่ในสมัยเดียวกันน่ะ เขาอยู่กันสบายอ่ะนอนที่นอนนิ่มๆอะไรมีคนพัดอย่างดีโลโลอาหารการกินสมบูรณ์แล้วก็ท่านเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านายกเองนะมันยิ่งกว่าคนในใ น, ในโลกนี่เองอะ่ะเป็นนบีของอลัลลอฮ์ทำไมอยู่อย่างนี้นบีตอบไงถูกไหมอลัลลอฮ์พวกเขาต้องการหาความสุขอลัลลอฮ์ก็ให้เขาฉันไม่ต้องการยังฉันต้องการความสุขในโลก อาครหน้าที่ของฉันไม่อยากจะให้เห็นใครตกนรกสักคนหนึ่งนี่หน้าที่ของนบีนะเป็นหูเมไปหมดนะคนนี้โอ้ท่านรับอิสลามรับอิสลามรับอิสลา ม, ลามเพราะมันปลอดภัยจากการลงโทษแต่อาลลอฮสุฮาห์โน้วะดาลาทีนี้เมื่อท่านนาบีถูกด่าเยอะๆนี่นะใช่ไหม น บ, บีกสญญ็สัญญาว้ออย่ตรงนี้เนี่ยาเนี่ยคุณจะต้องถูกลงโทษลงโทษลงโทษใช่ไหมล่ะทีนี้ผู้นี้มันก็จำเรื่องเดียวเรื่องลงโทษเรื่องมุสลิมจะ in increasing นะจะเพิ่มจำนวนนะมันไม่จำมันจำลงโทษอ่ะอาฟาบีอาลาบีนัยัสตาดีลูนการลงโทษของพวกเราการนั่นหรือ ที่พวกพวกเขารีบเร่งหรือเร่งรนพวกนี้ขอดุอาตลอดอเอาเอาโทษมาสิถ้าหากว่าอิสลามเป็นาศาสนาที่จริงฉันไม่เอาอัลลอ์ฉันไม่กราบอัลลอ์ลงโทษฉันมาสินี่ท้าใครถ้าอัลลอ์ผมก็ได้ยินพวกเรานะในคองเสรตเนี่ยพูดแบบนี้ถ้าอัลลอ์มีจริง นบาปนะน่ะยังสงสัยเลยนะว่าอัลลอฮ์มีจริงหรือไม่มีจริงอ่ะถ้าอัลลอฮ์อมีจริงก็ลงโทษฉันมาหนะฉันทำผดนี่ฉันเล่นไพ่ทุกวันเนี่ยฉันกระดา พ, พ่อแม่ทุกวันเนี่ยท่านทำดีนากินเล่าด้วยลงโทษฉันมาสิพูดแบบนี้เป็นการท้าทายใครท้าทายอัอลลอฮ์ฉะนั้นอย่าพูดภาษานี่อย่าพูดนี่อัลลอฮ์เล่าไงนบีฟังรู้มไหมคนอาหรับโมชลิกเนี่ยเขาท้าอัลลอฮ์ว่า ถ้าหาอิสลามเป็นของจริงที่มาจากอัลล์ฉันทำอะไรผิดเนี่ยลงโทษฉันมาเลยจะได้จบๆกันไปเลยเด็กรุ่นล้ำจะได้มันได้อะไรนะมันจะได้ไม่เรียนแบบฉันแต่อัลลอฮ์กำลังส่งนัสูุรออื่นอธิบายพวกอาร์สมุดใช่ยังอธิบายแล้วฟาโรห์จมน้ำแล้วทำไมไม่เอ็มไม่ศึกษาล่ะฉันให้ความรู้ผ่านนาบีมฮัมหมัดมาหมดแล้วอต่อมาครับ فإذا نزل بساحتهم فسأصبح المذرين فإذا نزل بساحتهم فسأصبح المذرين الله أكبر ن ز ل งลาบ มาจึงอาซาบมานาซาลาอาซาบมาไม่มาครับแต่ไม่รู้สึกตัวรอนเล่นเงียบเงียบเล่นแบบแบบนะสมูทสงอาซาบมาเงียบเงียบรอแอบแบบแบบโรคอะไรนะโรคมะเร็งเห็นยังไงคนนี่กลัวโรคมะเร็งหมดใช่เมื่ใช่แต่ตัวโรคมะเร็งเจอหรือไม่เจอไม่เจอครับจะมาเจอตอนไหนขั้นสุดทาทําทไม่ โรคมะเร็งไปหาหมอตรวจไม่เจอน่กกลัวไม้มล่ะอลกอ า, ากาศวันนี้ไงนี่เตือนน ะ, ะโรคมะเร็งกลัวที่สุดในโลกใครกลัวก็วกลัวกันหมดแต่พบเจอั้มไม่เจอครับฟาอีแานาซาละครั้นเมื่อการลงโทษนาซาละลงมา บิสะฮัติหิมสะฮะแปลว่าสนามหน้าบ้านสนามหน้าบ้านบันใครบานมันเห็นไหมเห็นยังในภาษากรรนาอาดาบมา น, นมาถึงหน้าบ้านคุณนะเห็นยังผมกลัวเนี่ยอันนี่ อ, ดอนาดาบมาเนี่ยมาจอะจงถึงบ้านเลยนะเห็นยัง เอาโรคโควิดนี่ทุกบ้านหรือเปล่าเห็นไหมเข้าไปในห้องนอนด้วยแต่คุณอ่านเนี่ยพูดสาห่ายอย่างเดียวพูดไรหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้า น, น, าานเห็นไหมนี่เตือนอย่างนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงทั้งหมดฝ่ายรานาซาล์บิสะฮะตีฮิม ครันเมื่อการลงโทษลงมาที่หน้าลานบ้านของพวกเขาผมคิดครับคิดได้สองอย่างบ้านบ้านที่จะสวยบ้านที่สวยงามต้องมีลานหน้าบ้านใช่หรือไม่ใช่แล้วมีรั้วด้วยใช่ไหมอธิบายอย่างนี้เน่ยอานาบูซันพูดดีนะใครที่มีลานหน้าหน้าบ้านแล้วก็มีรัวร้วเนี่ยไอรั้วเนี่นะทําให้บ้านสวย เขาอธิบายอย่างนี้นะครับนามาตรฟอรดูคือบ้านนมาสุนัตคือรั้วเห็นยังครับเข้าใจง่ายเลยอ่ะคนที่รักษานามาตรฟอรดูและรักษานมาสุนัตด้วยฟอรดูจะไม่ขาดแต่นามาตร์ฟอรดูอย่างเดียวนามาสุนัตไม่เอาเลยขาดตั้งสุนัั้งฟอรดูเลยเ <c oughs> วลาสาตอนมันเข้ามามันเข้าถึงบ้านเลยใช่ไหมเวลาหมาเข้ามาเข้าถึงบ้านเลย แต่บ้าคุณจ้หลังก็มีขวดนัางมาไว้อยู่กันหมาแม่เยี่ยวใช่ว่า <laughs> ผมได้จากท่านนั่นแหละอันน้ำอันน้าใส่ขวดวางไว้เป็นแถวสนามหน้าบ้านครับเอาล้อลายตะกุ่อ่านนะอะไรลงมาอาสาบลงมาหน้าบ้านคุณน่ะมันใครใบมันก็ดูแลเอาเองอ่ะดูแลลูกดูแลภรรยาดูแลตัวเองอ่ะนั่งให้อ่านคุรานที่บ้านเยอะๆใส่ตอนกาค่ะ คำว่าอาซาปติเสตอนก็ได้ใช่ตอนไม่กล้าเข้าบ้านบ้านที่มีเสียงอ่านคุณอ่านเสียงวิกรุลล้อนะครับเสียงพูดจาดีๆกันในครอบครัวอัลลอฮฺอักบัตอาซาบไม่มาครับนิดนเล่าไว้ฟังนะฝาอานนจะบิสฐ์หัติหิมฟาซาอัสบะฮฺลมุนซิรินซาอัตว่าความชั่วซาอาตแปว่าความชั่ว ถ้าอาสาบลงมาบ้านใครก็ตามนั่นเป็นความชั่วชั่วตอนไหนครับอาสาบส่วนใหญ่มันจะมาตอนไหนเนี่ย ม, มีกลางเช้าเย็นกลางคืนใช่ไหมแต่กุณอานอธิบายไงสบะมาตอนเชา้าเซิรนามิมากี่โมงห้าตอนเชา้า คนนอนไม่ตื่นน้มาสุบโบตอนไหนตอนเช้าแล้วอาซาบมันมาตอนเช้าแต่ทำไมไเพราะไม่ตื่นน้มาสุโบไม่ได้ลําลึกถึงอัลลอฮฺบ้านใครก็ตามถ้าไม่ได้ตื่นนมาสุโบ อ, อาซาบมันจะมาตอนเช้าหมดเนี่ยเร่อเล่าให้ฟังแล้วนะอาซาบมาตอนเช้าครับเซนามิมาตอนเช้าครับส่วนยาจะมาตอนเช้าตอนเช้าเพราะว่า ตอนเชา้ามีสองอย่างหนึ่งคนไม่ตื่นนอนสองพวกคาขาขายในในในตลาดรับเงินทุกวันห้าพันหมื่นแสนสองแสโอ้ตอนเช้าเพิ่นขายโจ๊กเพิ่น่ะขายโนนายรตีก็เพิ่นเอาเอาญาติญาก่อนขายอะไรก็เพิ่นหมดเงินมาเงินมาเงินมาเงินไปโอ้จะได้บนนี้ห้าร้อยพันหนึ่งตอนเช้ามือเลยระวังที่ค้าขายนะนึกถึงลระรอกกี่คนอ่ะมันจะมองแฉก มันเข้ามันพูดมเข้าร้านผัวนึกถึงอะไรลืมนึกอ่ะฉนเวางค่าคายวิเคราลหอด้วยได้ไหมสุภานวลลอสุภานวลลอสุภานวลลอสุภานวลลอสเอาสุนนะนบีไปใช้เอารูปแบบมาสนะอบุกัตไปใช้อัลลอ์อย่างมีเป็นต้นซบาฮุลมุนซีรินเป็นยามเช้าที่ชั่วของผู้ถูกตักเตือนแล้วไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์มุนซีรินผถูกตักเตือนแล้ว ชะนั่นเมื่ออาดาบมามาถึงหน้าบ้านคุณมาตอนเช้าเขาเรียกว่าเป็นเช้าที่อะไรนะเป็นเช้าที่ไม่มีไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีบรารกัดพูดเบาหน่อยเป็นเช้าที่มีบรรกัดซาเป็เปความชั่วตอนเช้าที่มีแต่ความความชั่วมาปรากฏที่หน้าบ้านคุณมองไม่เห็นตัวครับแต่ถ้ามีชาติปัญญามองไม่เห็นว่าเนี่ยอาดาบมันอยู่หน้าบ้านแล้วนะหน้าบ้านคุณเนี่ย อัลลอฮฺรักบัคือสาเหตุเป็นอย่างนี้อาญาณนี้ลงนนะมีอยู่วันหนึ่งนบีเนี่ยทำสงครามกับพวกมุนาฟิกนบีวางอาวุธแล้วซาบะวางอาวุธ แ, แต่มาไลก้าบนชันฟามไม่ได้ยังไม่วางอาวุธยิบรี ล, ลงมาหานาบีบอกมุ h ั m สงครามต่อไปที่ไปที่คอยบัดคอยบัเป็นเมืองของพวกมุนาฟิกอยู่จัดการเลย อยให้มันอยู่ในแควนอารับนบีก็ไปอ่ะมลายการลงมาช่วยด้วยไปถึงหน้าบ้านเป็นคนคนยโฮดีเลยคนคนนั้นคนมูนาฟิกแพ้ราบขาบตายเต็มเต็มเลยเนี่ยนั่นคือเรียกอัชบาบุนบูซูลเหตุที่อัลลอฮฺประทาอัลลอฮฺงมาเล่าเรื่องนี้ว่านาบีเนี่ยไปทําสงครามกับพวกมูนาฟิกไปถึงหน้าบ้านกับเขาเลยยังนอนไม่ตื่นก็เลย แต่ศัตรูมาอยู่หน้าบ้านแล้วเห็นยังครับแต่นี่อายานนี้มาอธิบาดีกว้างเลยวันนี้ศัตรูแบบนี้มันไม่มีแต่ว่ามุสลิมถูกรังแกถูกดา่าอัลลอฮ์เล่นงานแทนพวกเราอยู่นะให้อาสาบมาให้นู่นมาให้นี่มามาถึงหน้าบ้านมันเลยนะมันยังไม่รู้สึกตัวกันเลยนะเอาต่อมาครับเมื่ออาสาบมาแล้วพวกนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยนะเห็นนะ ก็ปล่อยไปปล่อยอยังไงฟะตาวันละอันหุมฮัตตฮัยน์ะตาวันละอันหุมฮัตตฮัยนนี่พูดกี่ครั้งแล้วเนี่ยสองแล้วอ่ะแสดงว่าอย่าไปใส่ใจกับคํานินทาใส่ร้ายต่อว่าดูถูกเหยียดหยามอิสลามกุรานสุนนนานบีปล่อยให้มันด่ากันไปเถอะเราไม่ต้องไปเครียดอะไรหรอก ฟาตาวันละท่านจงหันห่างจากพวกเขาชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองพูดสองคำระยะหนึ่งกันหนึ่งจนจกว่าจะตายเป็นนอนเครียดอยู่ในกูโบสองถ้าอยู่ก็เครียดต่อมุสลิมจำนวนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ไห้ยิ่งเครียดอีกไาอีกตายก็เครียดอยู่ก็เครียด ว่าอบิร์าซ a ห์ฟาญูบซิรุนว่ า, า, า, วาอับซิร์ฟาซาห์ฟาญูบซิรเนี่ยเสังส่งนะสั่งนบีสั่งพวกเราด้วยจงเฝ้าดูจงสังเกตดูมาอย่าอยู่มันจะสังเกตอะไรเลยเอากุรานเนี่ยมาแปะไว้สังเกตตามตามคุรานสังเกตเกดูอาซาบมันมามันมาอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ มันจะใส่ใจอะจงเฝ้าดูแล้วในไม่ช้าพวกเขาก็จะเห็นเช่นกันอธิบายแล้วหนึ่งสังเกตดูนะไม่ช้าเขาก็จะตายอ่าถ้าเขาไม่ตายเขารับอิสลามเขาปลอดภัยไหมปลอดภยัยไม่รับอิสลามก็ได้เขาก็เครียดต่อไปอีกเห็นมุสลิม เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอโลที่มาเลเซียเพิ่มขึ้นอินโดนีเซียเพิ่มประเทศไทยเพิ่มฟิลิปปินส์เพิ่มโอโลมุสลิมเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเครียดชื่ออะไรน่ยประเทศไทยมีอยู่คนน่ะอะไรเนี่ยเพชรเพชรอะไรผมอยากเอ่ยอยาเอ่ ย, อยชื่อจะ อ, อะไรนะเพชรมั้งนะเพชรทองเพทองนั่นและดวอิสลามดาวลอส ด, ด้วยจะเป็นไงกันปล่อยไปลยปล่อยไปก่อนปล่อยไปเอ็งเจอน่ไม่รับอิสลาม ถ้ารับอิสลามเองปลอดภัยถ้าเองตายเมื่ อ, อไรเจออาตามนังกูโบถ้าเองไม่รับอิสลามก็ได้อยู่ไปยิ่งเครียดต่ออีกอะจะเริ่มเพิ่จเริญขึ้นอโลอัลวัตจะเริญขึ้น อ, นอนดู ด, ดูต่อไปต่อมาครับซุบฮานะรอบบิกรอบบิไลซ์ะติอามะยาซฟูนสามยาสุดท้ายเนี่ยดีมากครับ Ini bukan cuma cerita nasrul Allahnya. Subhana Rabbika, Rabbi al-azziyya yasifun. Subhana Rabbika, hai nasrul to Allah yang banyak hajar pahalanya ini banyak. Subhana Rabbika, Mahabosun yang dah perpu api ban, komtahan. Rabbi al-azzi, azziyya. พระผู้อภิบาลแห่งพระอำนาจอิสระแปลว่าอำนาจทั้งหมดนั่นเป็นของอัลลอฮ์หมดเลยจะให้ใครอิสระมีเกียรติไม่มีเกียรติจะให้นักการเมืองคนนี้ค้นหรือลงเนี่ยอัลลอฮ์จัดการหมดเลยนะจะให้นายกตูวไม่ให้ยื้หรือยืมไม่อยู่อัออออออลลอฮ์จัดการหมดทักษิณจะอยู่หรือไม่อยู่อัลลอฮ์จัดการหมดนะเอาคนยังดังกันแล้วกันนี่นะฟารโรห์อยู่ไม่อยู่เัลลอจัดการนะแต่แต่ฟาโรห์นะ ก็รู้อยู่ไม่อยู่เราจัดการหมดครับนี่ไงรบบับไลายสิทเกียรติทั้งหมดนั่นมาจากอัลลอฮ์เงินท่านเปคนมีเกียรติได้ชื่อเสียงท่านเปคนมีเกียรติได้ตำแหน่งท่านเปคนมีเกียรติได้เป็นโน้นเป็นนี่มีเกียรติหมดเลยนะครับเอ็งต้องลดเกียรติให้หมดอะแล้วก็ยึดกับอัลลอฮ์อง์เดียวนะครับรบบับไลายสิทธิ์อามมายาซีฟูนอามมาแปลว่าพ้นไปจาก ยาซีฟูที่เขากล่าวไร่ต้องนึกนะใครกล่าวไร่อัลลอฮ์พี่น้องชาวคริสเตียนกล่าวไร่อัลลอฮ์ว่ามีลูกผูชายเชิญนบีอิสาคนอาหรับในละครมักกะกล่าวเราว่าอัลลอฮ์เนี่ยเหงาต้องมีลูกผู้หญิงเป็นมลายิกานี่กล่าวไร่อัลลอฮ์หมดท่านเราเอาเรื่องไม่เอาครับตอนนี้ปล่อยไปก่อนเอามกินกันไปอยู่กันไปเลียงให้อ้วนไปเอาแพะกี่ตัวเชิญ เฉพาะโลกนี้โลกเดียวนะเองตายไม่ไรเองเจอครับอามายอสฟูคนที่กล่าวไร่อรรถมีไม่มีพวกาั้นกับพูดหรือรทำ่าทีท่ททไม่ดีอะไรบ้างไปหาหมอดูจะแต่งงานลูกต้องรอวันไปหาหมอก่อนหมอว่าอุม่ไไม่ได้นี่ขัางขึ้นไม่ได้ต้องขัางแรมขัางแรมไม่ได้ต้องขั่งขึ้นขั่งขึ้นเนี่ยต้องเลขคู่นะั้นเลขคี่ไม่ได้นะ นี่นะด่าเลาหมดเลยนะเราเรียบอกพี่น้อเอออย่าไปหาหมอมึงคณะใหม่กระถูกด่ามาอย่างนี้แหละพ็ต้องอดทนกับสมสบัดในนี้ปัญหานี่ด่าเอานะพวกเราเองก็ด่าเราอยู่วันนี้ด่าแบบไม่ร <s Paulo> <itet> <land> นะู้สึกตัวเพราะไม่ฟังศาสนาเพราะฟังศาสนาเนี่ยมารยาจะนิ่มนวลหมดเลยต่อมาครับ วาส alamun ala al-mursalin อัลลอฮ์ Allah. นี่ยอัลลอฮ์ชมนะเราก็ต้องชมด้วยนะความสันติทั้งหลายนั้นจงประสบกับบรรดารสรุ่นที่อัลลอฮ์ทรงมาวาส alamun ala al-mursalin <c oughs> วักสุดท้าย ว والحمد لله رب العالمين และบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลพระผู้อภิบาลแห่งสากลและจักรวาลอัลฮะมดุลิละนั้นนบีละสังก่อนจะลุกขึ้นจากที่ประชุมให้อ่านดุอาบท น, นี้หรืออ่านดุอาสุภาวณ์ก็ลอลหุม้มมาว่าบิฮัมดิกะอัชชาดุอดัลลออิลลาอิลาอลา سبحانكاللهم วะบิฮัมดิกาลาใช่ไหมอิลล่ลลอันอัลตักฟิร์กาวะอะตูบุอิลัยอย่างนี้ก็เอาอายานี้แหละอธิบายนะจะันกอนจะประชุมนั่งคุยกับภรรยาสองคนก็อ่านดุบาสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกาลาอิลล่าอิลล่าอันอัลตักฟิร์กาวะอะตูบุอิลัยนั่งคุยกับลูกกับหลานนั่งคุยกันจะลุกขึ้นอ่านดุอาบทนี้รู้เปล่า จะทําให้ตาช่างของเราหนักในวันกิยามทุกคนต้องผ่านผ่านผ่า น, ผ, านผ่านตาช่างบทตาช่างมันเบาเหลือเกินเลยเช็คไปเช็คมาประชุมมารูปจีบกี่แสนครัง้งไม่เคยมีดวอาสักครั้งหนึ่งเลยเป็นมุสลิมได้ยังไงกันเนี่ยเออรอพระอรหันต์กินอาหารอลัลลอฮ์หายใจอากาศของอลัลลอฮ์นั่งประชุมกับกับกรรมการสุราประชุมกันมาไม่เคยเกาว س ุบฮ ن อัลลอฮุมนะลาอิลล่าอิลลอัลลอฮ์อะัยกุกะไม่เคยกล่าวสักคำานึงอ่ะเป็นมุมน้นได้ยังไงอ่ะเองดูถูกสุนนะนบีหรือเปล่านี่มาตามอาเต็มหมดเลยคุยกับลูกคุยกับภรรยาคุยกับคณะกรรมการสู่เรากับที่ประชุมที่ไหนก็ตามแล้วต้องจิกจิถึงอัลลอ์สุ้าอหมดเวลาับสุบฮานะอลลอฮุมะเฮามดิกะอิลลาอััุกะบะตูร